بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ص, على ص ل ณพร ل เจ้าพระเจ้าผู้ท م งเป็น ا ل ้าแห่งโลกทั้ง ن ลกโ ا ل พร ا เ ل ้ ا ขอ ا ห้ทรงอวยพ ن แล ن ทรงอวยพรผู้เผ รับบ ا ญญัติเราละน่าดุลน์บัญญั ا ิเราและคัฟร์เรื่องน่าเสียเอติน่าและท وهي لنا من أمرنا رشدة اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم أ ت ن ُ ف س ن ا ت َ ق و ا ه و ز ك ِّ أنت خير من زكّاه أنت وليها ومولاه اللهم ف ق ِ ن ا في الدين اللهم ف ق ِ ح ن ا في الدين اللهم ف ق ِ ن ا في الدين علم كتابك الكريم رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله ขอบคุณพระเจ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ครับวันนี้เราเรียนสุราหม้สุราตุลจินเปิดเลยนะครับเดี๋ยวอ่านกันเลย อ้อนว الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أ و ح ي إ ل ي أن นั ت َ م َ ع َัมงานฟาร ن มจาก فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا ยัตี <ت ص في ق> إلى الرشد فأمننا به ولا نشرك بربنا ว่าเพื่อให้เรา ل َ้รَ د ว่าَระเจ้าทรงเป وأنه كان يقول سفي هنا على الله الشاطر. وأننا ظننا َ وأ ألا َ تقول َُ الإنس والجن وعلى الله كذبا َِ الحمد ุียละนะฮะอียัคก์สุรุตุลจินอัลจินเป็นมักลุบชนิดหนึ่งเราจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีมีคำแปลไหมอัลจินไม่มีก็รทับศัพท์ไปเลยนะครับจิน เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่ารายละเอียดของมันเป็นยังไงกต่สุมหานอัลลอฮ์อัลลอฮ์กระสุมห์ห์นตีอลลได้กล่าวถึงมัลูกชนิดนี้ในอัลกุรอานในคำพีของพระองค์แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหนึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาสองไม่ใช่เรื่องแปลก ยังไงอะไม่ธรรมดาแล้วไม่แปลกไม่ธรรมดาก็คือว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างแน่นอนจินมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรในทางบวกหรือในทางลบอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับทราบและไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ เราไม่จำเป็นต้องกลัวจนกระทั่งกลายเป็นความเชื่อผิดๆที่เราเคยเห็นที่เราพบเห็นในในอะไรครับในพฤติกรรมของมนุษย์บางกลุ่มบางพวกหรือแม้กระทั่งมุสลิมเองพอพูดถึงหลงยินเหมือนกัาว่ามันเป็นเรื่องลิลับเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่เกินความสามารถที่ เราจะรับมือไหวในภาพออกไหฮะทำให้เรากลัวจินเหมือนกับที่เรากลัวอัลลอ์นะกลายเป็นชีริกหรือกลายเป็นการยึดถือกลายเป็นการบูชาเพราะเราคิดว่ามรคลูกจินเป็นเรื่องที่พิเศษหรือมีอะไรที่เหนือกว่า กว่ามนุษย์อย่างเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดาหมายความว่ามันต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนไม่ใช่เรื่องแปลกหมายความว่ามันไม่ได้ดีไปกว่าเราถ้ายินมันจะดีไปกว่าเราไม่มีหรอกหรือมันจะสามารถให้โทษให้คุณไม่มีนะไม่มีอํานาจใดๆทั้งสิ้นเหนือไปกว่า า l l a h Subhanahu Wa ta Taala ผู้ทรงผู้ทรงอำนาจที่จะให้คุณให้โทษกับเราได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมองในมุมไหนเราก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้เท่าที่จําเป็นจะต้องรับมือจําเป็นจะต้องรับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันถูกระบุในอัลกุรอานเราก็ต้องมาเรียนรู้สิว่า Allah Taala ระบุหรือพูดถึงเรื่องจินน์ในอัลกุรอานว่ายังไง แล้วแต่เราพูดถึงการสร้างจินว่าพระองค์สร้างจินมายังไงมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคท่านน บ, บีอาดัมอะไรสลามาการต่อสู้ระหว่างอาดัมกับอิบลิสซึ่งเป็นบัมพระบุรุษของจินนะจินในยุคของท่านน บ, บีสุไลมานนะจินในยุคของใครอีกในอัลกุรอานนี่จะพูดถึงของน บ, บีสุไลมานนี่จะชัดเจนมากแล้วก็มายุคถึงมาถึงยุคของท่านน บ, บีมุฮัมมัด สัลล in ah ah ัลลอฮฺวะเป๊ะะฮฺซัลล ah. ah ah ah ัมแล้วแต่เราก็พูดถึงประเด็นเรื่องจินด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยในสุรษนี้เป็นหนึ่งสุรษเลยที่พูดถึงอัลจินสุรษุลจินมินอสุวริลมักกีย์ที่อัลขาลิซัอุลามะบอกว่าสุรษจินเป็นสุรษมักกีย์เป็นสุรษที่ถูกประทานลงมาที่มักกะร้อยเป์เซนทั้งสุรษเนี่ยเป็นสุรษที่ถูกประทานที่มักกะ้ร์ซนะครับและเป็นสุรที่ถูกประทานลงมาคราวเดียวจบ หมายความว่าไม่ได้แบ่งออกเป็นทีละทีละห้าอายัดหรือทีละสิบอายัดลงมาทั้งหมดทีเดียวเลยนะครับทั้งหมดกี่ร์อายัดนี่ลงมาทั้งบทยี่สิบแปดอายัดหมายความว่ายี่สิแปดอายัดเนี่ยลงมารวดเดียวในครั้งเดียวนะไม่ได้แบ่งว่าวันนี้ลงสิบอายัดแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เพราะบางสุราเนี่ยบางสุราเนี่ยจะแบ่งลงมาก่อนห้าอายัดเหมือนสุรา อ, อิกราะ สุราอิกราไม่ไดลงทีเดียวใช่ไหมครับสุราอิกรานี่ลงมาครั้งแรกอายอิกราบิสมร abbikanالذي خلق خلق خلق الإنسان من على خ อิกรา و ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم อันนี้ครั้งแรกหลังจากนั้นก็ลงมาทีหลังอีนัเป็นหนึ่งสุราหนึ่งในจานวนสุราที่ถูกลงถูกประทานลงมาคราวเดียวกันเลยก็คือสุราจุลจินนะครับในสุรา this พูดถึงอะไรบ้างโดยสรุป ถ้าเราอ่านแล้วเราจะไปสรุปเนี่ยเราเราดูข้อสรุปมันกอดว่ามันพูดถึงอะไรบ้างแน่นอนที่สุดประการแรกก็พูดถึงเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ท่านนาบีสุลต่านอัลสลามไปเจอกับจินกลุ่มหนึ่งนะซึ่งจินกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ศรัทธาต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านอัลสลามสุรนนี้มีคมีความเกี่ยวข้องกับ ประเด็นการด่าว่าของท่านนบีด้วยเพื่อเป็นการบอกว่าท่านนบีของเราสุลต่านสุลต่านลำถูกประทานลงมาเป็นรอซูลให้กับมนุษย์แล้วก็ให้กับให้กับจินจินมีหน้าที่เหมือนมนุษย์อัลลอฮฺตะลาบอกว่าอ้ว่มา خلق ทูลจินนะ والإنساء อิลล์ลีย عبدون เราไม่ได้สร้างฉันไม่ได้สร้างจินเอาจินขึ้นก่อนด้วยซ้ำนะ ในอายัดเนี no, si ta ่ยส nah. ุร nah, ทูตดาริยเนี่ยอัลลอบอกจินก่อนเราไม่ได้สร้างจินกับมนุษย์มานอกจากเพื่อลยงบุดูนเพราะฉะนั้นจินก็มีหน้าที่อิบาดับตอัลลอซุฮท่าน ر س ูลก็เลยถูกส่งมาให้กับอัลซะกอัสซะกลนอัซะกนก็คือมนุษย์และกจินนะนี่คือเป็นเป็นการบอกว่าท่านอบดุลเลาะห์นั้นถูกประทานลงมาให้กับจินและก็ให้กับ มนุษย์ด้วยนอกจากนี้มันเกี่ยวข้องกับการได้ ว, ว่าของท่านนบีสโลโลสัลลัลเพราะว่ายินกลุ่มนี้มันศรัทธาต่อท่านนบีในขณะที่บรรดามุชริกีนเป็นยังไงฮะกาลังตอต้านเป็นการอิชาระเป็นการบอกให้กับบรรดามุชริกินรับทราบว่าเนี่ยขนาดยินมันยังศรัทธาเลย Mengfaham Al-Quran, mencecah Al-Quran, welati faham Al-Quran. Al-Quran itu tanpa Nabi Ania, tangcah faham. Poh tangcah faham, kau kaujai. Poh kaujai, jing kejat. Kaujai, jing kejat. Kaujai, jing kejat. Kaujai, jing kejat. Kaujai, jing kejat. Kaujai, jing k e u j a i i k i n g u a n g u j a i i k i n n i j a u j i e n t a k e u j a i a t k a u a i สุร ah ุข ah. ah, uh, ุลฮะกะจนกระทั่งสุร um ุขุลซาอุลซาอิลุมบีอัลลบิลวาเกจนกระทั ah uh, sen, nei, nei mum, ah ่งส um ah ุร ah ah, ah, ุขุลนูษ์ซึ่งพูดถึงประเด็นการด่าวะในในแต่ละมุมในแต่ละมิติที่ท่านนบีต้องพบทั้งนั้นเลยในสุรุขุลกาลัมพูดถึงการเยาะเย้ยของมนาบูชริกีนสุรุขุลฮะกะพูดถึงอะไรเนื้อหาที่ท่านนบีใช้ในการด่าวะพอมาถึงสุรุขุลอย่างนี้เป็นต้นคือพูดมุชลิกีนเนี่ยตอนที่ท่านนบีอ่านอัลกุรอานในฟัง แทนที่จะรับฟังอย่างตั้งใจแทนที่จะฟังก่อนกลับทำอะไรฮะกลับงัวแต่เยาะเยะ้ยกลับมัวแต่ถกักถานกลับงัวแต่ล้อเลียนเพราะฉะนั้นไอการล้อเลียนไอการเยาะเยะ้ยไอการถากถางเนี่ยทำให้เขาเรียกว่ายุ่งอยู่กับเรื่องไร้สาระจนกระทั่งหัวใจเนี่ยไม่ทันที่จะเปิดรับสัจธรรมที่ท่านนาบีสุลต่า มาอ่านให้ฟังอันนี้อันตรายคือก่อนที่เราจะรู้เรื่องเนี่ยเราไปว่าเขาแล้วประเด็นแบบนี้นมันมีอยู่ในสังคมแม้กระทั่งตอนนี้ทุกวันนี้มันก็ยังมีแบบนี้ยังไม่ทันฟังเลยว่าเออโตะครูเขาสอนอะไรว่าก่อนแล้วเอ้อย่าไปฟังอันนี้มันมันอะไรมันแปลกๆนะเดี๋ยวนี้เขาเขาเขาเยาะเย้ยเขาขัดขวางอย่าไปฟังอันนี้มันอันนี้มันหลงทางอันนี้ไม่รู้มาจากไหนฟังก่อน ฟังก <laughs> <laughs> La il ่อนให้ละลไม่เหมือนกับยินยินพวกนี้ไม่เหมือนยินพวกนี้มาฟังท่านนบีสุลต่านละอัลูอัซิูน่ฟังฟังให้ดีฟังให้ดีฟังให้ดีว่าท่านนบีกาลังว่าอะไรอยู่เหมือนกับว่าเป็นการตัดมุชริกินนิดหน่อยเนี่ยไอ้พวกที่ไม่ยังศรัทธาพวกมุชริกินเนี่ยขนาดยินมันยังศรัทธากับท่านนบีสุลต่ลมเลยเพราะมันฟัง ในขณะที่พวกเจ้ามัวแต่เยอะเย้ยมัวแต่ถากรถา ก, ก็เลยไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมของอัลลอฮฺสุบฮานาตะละนี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่เรื่องต่อไปสุรอนนี้เป็นการปลอบใจปลอบใจใครปลอบใจท่านนาบีครับเพราะอะไรว่ากันว่าสุรอนนี้ถูก ป, ประทานลงมาในปีปีที่สิบปีที่สิบของของการเป็นนบี หรือของการแต่งตั้งให้เป็นนบี ส, ลลลสลุลต่านซึ่งปีนั้นเราเรียกว่าอามุลฮุสนปีที่สิบเป็นปีแห่งความโศกเศร้าเพราะอะไรฮอดียาเสียชีวิตอบูตอเลบเสียชีวิต <S 2> <S 2> <ม>เป็นปีที่ท่านนาบีโดดเดียวฮอดีญยาทึ่งช่วยเหลือท่านมาตลอดเคียงกายท่านมาตลอดไม่ว่าท่านนบิจะลำบากแค่ไหน อบูอลายับอบูตเเอบบตเลฟถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมแต่คอยปกป้องท่านนาบีหลานชายของท่านมาตลอดเวลาปีที่สิบเสียหมดทั้งสองคนนี้เป็นปีที่ท่านนาบีโดนรุมเยอะมากจนกระทั่งต้องออกไปหาผู้ที่คอยสนับสนุนท่านและท่านไปถึงเมืองตออิฟ น, น ะ, ไ, ะไปถึงเมืองตออิฟแล้วโดนโดนอะไรฮะไปถึงเมืองตออิฟไปถึงเมืองตออิฟไป กล่าวไปด่าวคนเมืองตออิฟเฮรับอิสลามแต่ปรากฏว่าโดนต่อต้านโดนปฏิเสธแล้วก็โดนทำร้ายกลับมาด้วยหัวใจที่แตกเขาเรียกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจอัลละฮฺตาลาก็เลยนะครับระหว่างทางระหว่างทางก่อนที่ท่านจะถึงมักกะเนี่ยกลับมาจากต อ, อิฟเนี่ยท่านหยุดละหมาดกลางคืน นะหยุดละหมาดกลางคืนละหมาดเที่ยมุนไลตอนที่ท่านละหมาดอยู่อัลลอะลัยฮิาลาให้จินกลุ่มหนึ่งมาฟังท่านนาบีของเราละหมาดแล้วก็ได้ยินอัลกุรอานที่ท่านอ่านพอได้ยินอัลกุรอานก็เลยลงมาเป็นสุราห์นี้อัลลอะลัยฮิาลามาบอกกับท่านนาบีว่าเนี่ยตอนที่เจ้าละหมาดนู่นสักครู่นี้นะ่ะมีจินมาฟังอยู่กุ ul, uh ya, a, ุุลออฮีะิิัานนนนนสมมร อ่าอินทร์นั่นฟรุ่มจากนนี่ ف ق ا อ و ا إ กุ ا سمعنا قرآنا أ ج ا เป็นไงครับเนี่ยมุฮัมมัดไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้าใจเจ้าไปต่ออิฟมามีคนอะไรมีคนต่อต้านเจ้ามีคนไม่ฟังเจ้าไม่เป็นไรวันนี้ฉันจะให้คือไม่ได้ไปเสียเปล่าท่นนานอบีไม่ได้กลับมามือเปล่านะตอนที่ไปตออิฟกลับมาพร้อมกับนาฟาโรนมินัลเจน กลับถึงมกักกะพร้อมกับกลุ่มยินกลุ่มหนึ่งที่ศรัทธาต่อท่านและเอาไปบอกกับคนกับยินอื่นๆในในใ น, ในพักพวกคนอื่นที่ไม่ได้ฟังฟังด้วยเนี่ยมาบอก่โอ้เรามาฟังเรามาได้ยินอัลกุรอานในบางรีววยะนะครับในบางรายงานนี่ก็บอกว่ายินกลุ่มนี้เนี่ย นะยินที่มาฟังท่านนาบีลานอัสสลามอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันมีว่าก่อนหนะ้าที่ท่านนาบีจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่อัลลอ์ุบฮานตะลส่งมาอยางโลกมนุษย์เนี่ยยินจะคอยไปมว่าคอยไปดักจับสัญญาณวะยูเวลาที่อัลตะลส่งวะยูมาอะไรอะไรมาเนี่ยพวกยินมันมีความสามารถถึงขนาดที่อัลลอ์ตะลาให้กับมันเนาะมัน มันต่อตัวอะไรมันมีวิธีการของมันเนี่ยเพื่อไปเอายาสตาริกูนสัมภยาสตาริกูนสัมภะหมายถึงว่าไอแอบขโมยวะอยู่ที่มันผ่าน้องฟ้าลงมายังโลกมนุษย์พอมูพออยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าขโมยไม่ได้หายไปขาอบารุสจหายไปเนี่ยเป็นรายงานที่มีอยู่ในอ่าฮะดิสรายงานโดย อิบนาอับบ้าสนะครับในอัลบุและมุสลิมนะีบอ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم ا ل علي ش ه ى ب فرجع الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهوب. ความตกลงของท่านนบีเนี่ยพวกนี้พอจะไปขโมยวายุเนี่ยกลับมีกบา ดวงไฟพอเข้าใกล้ที่จะไปขโมยจะมีดวงไฟมามาทำลายมาเผาพวกจินนพวกนี้ก็เลยแปลกว่าไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้พอกลับไปหาพักพวกนี้ก็เลยถามว่าเอ้าเป็นอะไรทำไมกลับมาแบบหน้าตาตกใจตื่นก็บอกว่าเราไม่สามารถที่จะขโมยว่าอยู่ได้อีกต่อไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เลยสั่งการว่าถ้าอย่างนั้นกระจาย กระจายกันไปหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนที่ทําให้เราไม่สามารถจะเป็นนะไปไปเอาวะฮิยูไปขโมยวะฮิยูได้เหมือนแต่ก่อนก็เลยกระจายกันไปแล้วปรากฏว่ามียินกลุ่มหนึ่งที่มาเจอกับท่านนาบีสุละ ล, ะล่านกาลังละหมาดอยู่ก็เลยชัดเจนนะเป็นที่ประจักษ์ว่าเหตุที่พวกเขาไม่สามารถจะขโมยวะฮิยูได้เพราะท่านนาบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วอาราต阿拉ปิดโอกาสอีกต่อไปไม่ให้ แม้พวกจีนพวกนี้ได้รับค่าบรุษสทมะหรือเรื่องราวต่างๆเจ้าลักอะไรจะส่งมาอีกหลังจากนั้นเป็นต้นมา น, นะครับนี่คือที่มาที่ไปของของสุรหอนนี้ซึ่งเราบอกแล้วว่าอัลลอฮฺนี่แหละครับคนที่ทำงานเพื่ออิสลามคือเราจะอธิบายยังไงดีให้ให้กับบรรดาคนที่เหนื่อยล้าอ่อนแอ หรือบางทีหมดแรงในการทำงานคนทำงานเนี่ยหยุดไม่ได้จะรู้สึกเหนื่อยขนาดไหนมันก็หยุดไม่ได้ถ้าเหนื่อยเราก็ต้องหาวิธีจัดการไม่ใช่ท้าพเจ้านายอับดุลลอฮ์เบนมุฮัมมัดขอลาออกขอลาออกยื่นใบาลากับอัลลอเราไม่รับนะครับใบาลาใบาลาของเราก็คือนุ่นจะมีคนมายื่นให้ ถึงวันน่ะมีคนมายื่นให้เองไม่ต้องลาหรอกมีคนมายื่นให้เองว่าเจ้ากเกษียณแล้วไปอยู่ในกูโบได้นั่นแหละครับคือหมดเวลาของเราในการทํางานเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยต่อไปนะใครที่จะอุทิศตัวเองให้กับอิสลามไม่มีวันลาออกครับเนื่อยจัด ก, การให้มันให้มันให้มันถูกลูกหลานก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีเป็นบททดสอบทั้งสิน้นเป็นบททดสอบของคนทํางานเพื่อ อ, อิสลาม อันนี้ฝากไปด้วยฝากกับทุกคนเลยมาใครที่คิดจะทํางานเพื่ออิสลามต้องรู้ตัวว่าอะไรคืุตททดสอบในการทํางานอิสลามของเราอย่าอย่าเล่านัอาเมนุลละทูลฮิคุมอ مو ลุคุมว่าละโอลาดุคุมแห่งิกริลละแม้กระทังการอิบาดาลต่ออัลลอฮุสุบฮาลุละละลูกหลานและทรัพย์สินเนี่ยเป็นฟิทนักอันใหญ่หลวงที่คอยกั้นขวางเราไม่ให้เราจิกเกตต่ออัลลอฮุสุบฮาลุละละนี่ไม่ใช่ทำงานอิสลามนะแค่จิกเกตอย่างเดียว กับการซิกเกตเนี่ยเรายังต้องวางแผนซิกุลลอฮ์อะรำลึกถึงอัลลอฮ์ในแต่ละวันตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยบางทีเราไม่มีเวลาซิกเก็ตเลยลูกหลานมาเอาเวลาของเราหมดยังต้องบริหารจัดการแล้วนับภาษาอะไรกับการทํางานที่ต้องออกไปฮะไปขึ้นมาให้กับศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะวะตะลาละว่าเลมุอันนั้มาอ مو ลุคุมเ أ و ل ا د ุ كم فتنه وأن ا ل ل อ عنده أجر عظيم จงรู้เถิดว่า أ و ล ا ดุก ك มลูกหลานของเจ้า อ่าอันว่าลูกุมเอาลาลุกุมทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าลูกหลานของพวกเจ้าเป็นฟิตนะนะแต่ว่าอัลลอฮฺเาแตละเตรียมผลละ บ, บุนอนยยันใหญ่หลวงเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการเหนื่อยหมดหนทางสู้มนุษย์ไม่ยอมรับไม่ต้องกลัวมีจินอยู่นะใครที่รู้สึกเหนื่อยกับการดะาว่ามนุษย์ลองดะาว่าจินดูบ้าง เอาไหมแล้ว เ, เปลี่ยนกลุม่มเป้าหมายเผือเ่อว่ายินจะมารับอิสลามกับเราเนาะใครกล้าก็เอาเลยไม่สวนวะขนาดนว้วมนุษย์ยังไม่ไห ว, ลวเลยจะไปด่าว่าจิ้นนะก็ต้องคิดก่อนนะครับแต่จะบอกว่าสุภาพนัลล่นหรอเอาแต่ ล, ละปลอบใจท่านน บ, บีของเราทูละลอัลลอฮฺสัลลัมด้วยวิธีการที่เราคิดไม่ถึงเนืย่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้กําลังใจสังกันและกันเราเองก็ต้องมีกําลังใจ แล้วก็ต้องให้กําลังใจกับพี่น้องพี่น้องที่บางทีเขายังจัดการตัวเองไม่ได้หรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องให้กําลังใจกับเขาไม่ใช่ไปซ้ําเติมไม่ใช่ไปพูดซ้ำเติมหรือไม่ใช่ไปนะเขาเรียกว่าบรรทอนอความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมอัลลอฮฺตาลาไม่เคยบันทอนหวัวใจของท่านอับดุลลาบีสัลลัลลอฮฺุซุลอสลฺมไม่มีเลยเราไม่เคยเห็นเลยว่าอาัลลอฮฺตาลาบรรทอนความรู้สึก ท่านนาบีของพระองค์และอิละฮะอิลล a l l a ท่านนบีก็ไม่เคยบัณฑรความรู้สึกของบรรดาสาบะในการทํางานแม้ว่าจะพลาดขนาดไหนขนาดคนรับใช้ท่านนาบีไม่เคยตําหนิอา น, นัสบอกว่าฉันอยู่กับท่านนาบีสุลต่านฮะเลวะสัลลัมมาสิบกว่าปีไม่เคยได้ยินท่านนาบีถามว่าทําไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมทําอย่างนี้คือท่านพูดแต่ท่านจะไม่พูดแบบนี้ ทำไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ทาไม่มีไม่รู้เหมือนกันว่าท่านอบดสอนอย่างไงนี่ผมยังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอะอยู่ได้อย่างไงและอีละอีละลอครั้งหนึ่งอานัสบป็นอะว่าอานัสเนี่ยท่านอบดสั่งให้ไปหาใครสักคนหนึ่งอานัสนีด้วยความเป็นเด็กไปถึงกลางทางเห็นเขากําลังเล่นกันอยู่เห็นพรกพวกเพื่อนของตัวเองกําลังเล่นอยู่อะ่ะเด็กอะยังไม่โต <laughs> เห็นเพื่อนกำลังเล่นอยู่ก็เลยหยุดดูคนเขาเล่นอยู่จะเล่นด้วยคือโดยธรรมาชาติของเด็กอะนึภาพออกไหมฮะไม่ใช่ไม่อยากทำนะแต่พอไปเจอเรื่องอื่นกลางทางเข้าก็เลยเฮ้ยมันสนุกอะอยากหยุดดูก่อนท่านอาวีพอเห็นอนัสนานก็เลยตามไปดูว่าเอออนัสถึงไหนพอตามไปดูเห็นอนัสกำลังเห็นเพื่อนเล่นกันอยู่ก็เลยมาจับหัวอยู่ข้างหลังนะมาจับหัว ไม่ได้ว่าไม่ได้ดา่าไม่ได้ตาหนิไม่ได้ประนามอะไรเลยอัลลอฮฺอักบัร์นี้เราบกพร่องขนาดนี้เลยทุกวันนี้นะทุกวันนี้นะเราบกพร่องในการจัดเบียลูกหลานเรานี่เวลาลูกหลานเราไม่ได้ดังใจเราเนี่ยโอไม่อยากจะบอก <c oughs> นะโดนโดนแต่ละครั้งเอีโอแลนะเราละอายแก่ใจบางทีไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันลอิลาฮิลลอ ต้องเรียนอีกเยอะนะต้องทําใจอีกเยอะในขนาดลูกหลานแล้วคนอื่นนะลูกสมนุนไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยลูกน้องนะเพราะฉะนั้นต้องทําใจให้มากนะครับต้องอดทนให้มากเนี่คือนี่คือข้อแทจริงนะครับสุภาพนั่ลอรอกเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ดีที่สุดถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอ่อนแอเราทอร้อแท้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัว เรื่องส่วนรวมเรื่องสังคมเรื่องรังเกดกลับไปอ่านสิริของท่านนาบีสุลต่านแล้วกําลังใจก็จะเกิดขึ้นเองดีอืมนีลล่แหละสุภาพนวตาั๋นล้สุร่านี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเรามองในมุมบวกนะมองในมุมบวกก็คืออัลลอฮฺสุลต่านาากาลังให้กําลังใจกับท่านนาบีของเราอย่างเต็มเปี่ยมยามุฮัมมบอกไปเลยบอกไปพวกมุสลินไปเลยว่าพวกเจ้าไม่ศรัทธากับฉันใช่ไหมไม่เป็นไร อุ حي ่เอเลี่ยว่าเขาได้รับฟัินั่นจากจินน์จงกล่าวถึงมุฮัมมัดว่ามีจินกลุ่มหนึ่งพูดกับพวกของมันว่าแท้จริงเราได้ฟังอัลกุรอานที่เพลิดเพลินยิ่งนักเดี๋ย ว, นะยวก่อนที่จะถึงประเด็นนี้ผมจะขอพูดนิดหนึง่ง เกี่ยวกับจินอีกนะที่มาเจอท่านนาบีลลัลลนี่มีการเคลีย์กันนะครับหรือว่ามีการอธิบายกันในบรรดานักต a f r ว่าตกลงท่านนาบีเคยเจอกับจินกี่ครั้งนะครับอัลลอูซีอัลอลูซีเป็นนตั f ซ i รคนหนึ่งท่านบอกว่ากด d l l a t ต l ahadith ala anna w i f n n i a n น t s หกครั้งด้วยกันอัลลูซีบอกว่าหกาครั้งด้วยกันซึ่งหลากหลาย มีบางครั้งที่ยินมาเจอกับท่านนาบีโดยที่ท่านไม่ได้เห็นพวกเขามีบางครั้งที่ยินมาเจอกับท่านนาบีในสภาพที่เขาเรียกว่าแปลงกายมาเพราะว่ายินเนี่ยถูกสร้างม า, าจากเขาเรียกว่าอะไรนะมิมาริจิมมินนาร์วัชลกัในสุรุตุลราะห์มานั่นแหละท่านละบอกว่ายังไงไวัชละกัลจนันมิมาริจิมมินนาร์รู้ไห สุราอะไรมาเรจิมินนารก็คือว่ายินเนี่ยองประกอบหลักของมันก็คือไฟไฟเป็นองค์ประกอบหลักอาจจะมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยแต่ว่าองค์ประกอบหลักของมันก็คือไฟแล้วมันสามารถที่จะเห็นเราอินนุมยาอินนัูยาราอินนัมยาเราเนาะออินอะไรนะสุราตุลอารักษ์ที่อัลลอฮฺตรัสบอกว่าพวกมันสามารถเห็นพวกเจ้าแต่พวกเจ้าไม่สามารถเห็นมัน เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเห็นภาพจินในลักษณะที่มันถูกสร้างรูปร่างจริงๆของมันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองมันเห็นได้ไอ้ที่เราสามารถจะมองเห็นมันได้เนี่ยก็คือภาพที่มันแปลงแล้วเหมือนที่จิบรีลมาหาท่านนบีสุลต่านในลักษณะของมนุษย์รูปร่างของจิบรีลที่แปลงออกมาเป็นของมนุษย์นะครับเหมือนกับที่มล า, ากัตมาใ ห, ใ, ห ใ, หให้ท่านนาบีเห็น หรือให้ซาฮับเห็นจินก็เหมือนกันบางทีท่านนบีเจอจินในลักษณะที่เห็นเป็นดวงไฟไม่รู้ว่าเป็นอะไรและบางทีก็เห็นในลักษณะที่แปลงกายมาแล้วซาฮับเองก็เคยเห็นในสงครามขั้นดับที่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าจินอยู่ในบ้านของซาฮับเป็นเป็นร่างงูแล้วก็ซาฮับคนนี้ก็เข้าไปต่อสู้กับจินกระทั่งฆ่างูตัวนี้ตายท่านนบีก็เลยมาเจอมาพบมาเห็น น่าตายทั้งสงคนไม่รู้ว่าตายใครตายก่อนกันระหว่างงูกับกซาฮาบะตนนัวนี้ท่านนาีก็เลยบอกว่าจงขออิสติลฟารให้กับพี่น้องของเจ้าทั้งสองคนทั้งสองแปลว่าทั้งสองนี่ก็คือทั้งงูแล้วก็ทั้งทั้งคนที่ตายอ่ะเพราะางูตัวนี้เป็นเป็นจินเดี๋ยวมัมนมีรายละเอียดละเอียดย้อเยอะมากในเรื่องนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาทธิบายนะครับวันนี้เราเรียนแค่ไอพอรู้ก่อนว่าจินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไง น, นะอันนี้คืออัลสลูจินนะครับ ทีนี้จินนี่สามารถทำอะไรได้บ้างเราบอกไปแล้วว่าถึงแม้ว่าจินนะจะเป็นมักลูกเหมือนกับเราแต่เราสบายนะอะไาให้ความสามารถที่อาจจะเหนือกว่าเราในบางอย่างอัลกุรอานเองก็ระบุเรื่องนี้โดยเฉพาะในยุค ข, ของท่านนาบีสุไลมานในยุค ข, ของท่านนาบีสุไลมานเนี่ยท่านนาบีสุไลมานมีสมุนเป็นจินเป็นบริวาร อันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่บรรดาพวกอิสราเ อ, อลเอามาเขาเรียกว่าเคยได้ยินหนังสือเล่มหนึ่งไหมคดลับของดาวินซี่เคยๆเคยอ่านบ้างหนังสือเล่ม น, นี้มันจะมียิวกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดแบบ แบบอะไรเขาเรียกพวกพวกพวกที่เรียนวิศวะพวกที่เรียนวิศวะพวกที่เรียนสถาปัตย์พวกนี้นี่มันจะมีความมีความเชื่อของมันว่าคนที่เรียนวิศวะคนที่เรียนสถาปัตย์เนี่ยเป็นคนชั้นสูงแล้วที่มันสามารถสร้างตึกสูงสูงอันที่เราเห็นตึกสูงสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับจิน เพมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยจะเอาเครื่องมือมาจากไหนมาสร้างมาสร้างตึกสูงๆได้ยุคบาบิโลสยุคเฟรเอาลหรือพระราชวังของกษัตริย์โซโลมอนหรือพระราชวังของกษัตริย์สุไลมานอ่ะที่เขาอ้างกันอยู่ว่าอยู่ข้างล่างมัสยิดอัลกซอตอนเนี้วิหารของโซโลมอนน่ะเคยได้ยินไหมฮะที่พวกพวกยิวมันอ้างกันอยู่เนี่ยวิหารโซโลมอนเนี่ยเขาวิหารขนาดใหญ่ที่เขาบอกกันนะที่เขาเชื่อกัน ซึ่งวิหารเนี้ยมนุษย์สร้างเองไม่ได้แล้วใครสร้างถ้ามนุษย์สร้างเองไม่ได้ผู้ที่สร้างวิหารนี้ก็คือบริวารของท่านนาบีสุไลมานอะลัยฮิสสาลามนั่นเองอัลลอฮฺจะลาบอกเองนะครับในอัลกุรอานที่บอกว่าว่มิ่งาเศียตีนีมันยักรซุนละหุวยาหมลนดูนดล บรรดาบันดาจินที่เป็นบริวารของสุไลมานเนี่ยมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องอะไรในการสร้างในอายัดนี้โรโลตุลอัมบียนี่ยาหูซูนก็คือดำน้ำําก่อนที่มนุษย์จะรู้จักเรือดำน้ำํานบีสุไลมานเคยมีจินที่ทําหน้าที่ในการดำน้ํามาแล้วและอัลลอฮ์ให้ความสามารถกับจินสามารถที่จะดำน้ําได้ ในสุรษะสบัตพระเจาเาบอกว่าย่อมลน له ما يشاء م م ح ا ر ب وتماثيل وجثان كالجواب وكدور ر ا س จ ا نحب جنية تمينا تين ك ا า س ปร ب สาท في سوم ه c o i l หอคอในอดีตสร้างได้อย่างไงนะมนุษย์สร้างนะถ้าสมัยนี้มีเครื่องมือเครื่องไม้มีอะไรต่างๆนั่นนะแต่สมัยก่อนสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นยิงเป็นผู้สร้างตานาซิลหุ่นจำลองวัจยีฟ้านยีฟ้านก็คือภัชนะที่ใส่อาหารที่เขาบอกว่าใหญ่เท่ากับบ่อน้ำวัดูดูรหม้อปูดูรินรอเซียหม้อใหญ่ที่ตั้งอยู่กับที่ ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของของยินซึ่งนบีสุไลมานเนี่ยอัลลอฮฺแต่ลาให้อำนาจกับกับท่านในการควบคุมยินพวกนี้ให้ทํางานตามที่นะท่านต้องการได้แม้กระทั่งววิณธีที่ท่านนาบีสุไลมานเสียชีวิตเคยได้ยินไหมครับเรื่องที่ว่าท่านนาบีสุไลมานคุมยินทํางานอยู่ทํางานจนกระทั่งเสร็จท่านนาบีสุไลมานนี่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยินไม่รู้ ไม่จะบอกว่ายินเนี่ยไม่ใช่รู้เรื่องรลับนะมันไม่รู้หรอกเรื่องเร้นลับท่านอนับดุลลมานเสียชีวิตมันไม่รู้ตัวถ้ามันรู้เรื่องเร้นลับจริงๆมันต้องรู้สิว่านบบสุลลมันเสียชีวิตไปแล้วนับดุลลยมันยืนคุมงานอยู่เอาไม้เท้ามีไม้เท้าอยู่รู้ตัวว่าท่านอนับสุลลัยมานเสียชีวิตเป็นเพราะว่าปลวกมกันปลวกมากินไม้เท้าแล้มวมันอะไม้เท้ามันหัก ก็เลยหลมก็เลยเพิ่งรู้เอ้าเสียชีวิตแล้วเนี่ยคือถ้ารู้ว่าท่านอัลกุรอร์มานเสียชีวิตเนี่ยพวกยินจะทํางานไหมไม่ทําแล้วแหละทําทำไมอีกไม่มีคนกลุ่มแล้วไม่กลัวใครอีกแล้วเห็นไหมครับนี่คือบทเรียนหรือเรื่องราวต่างๆที่อัลลอลาพูดถึงจริงในอัลกุรอานของพระองค์แต่จะบอกว่ามันมีความสามารถในเรื่องพวกนี้จริงๆนะครับมันสามารถที่จะเดินทางได้เร็วกว่ามนุษย์ แล้วมันก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารมันมีมันเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นอลไรแตะเราไม่ให้เรามองเห็นถ้าเรามองเห็นเราอยากมองเห็นไหมอันเนี้ยการที่เราไม่สามารถจะมองเห็นโลกของจินเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นเรื่องร้ายฮะอยากจะมองเห็นไหมมีถ้าเรามองเห็นโลกของจินนี่เราจะอยู่ได้หรือเปล่า แต่คงไม่ไปไหนเราคงคงคงบ้าตรงตรงนั้นเลยนะเพราะว่ามันรอหัวเราไม่เป็นยังไงมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีระวังให้ดีเพราะบางคนปฏิเสธปฏิเสธว่าไม่มีมองไม่เห็นแล้วมันจะมีได้ยังไงบางเรื่องที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองแต่ไม่จําเป็นต้องกลัวถึงขนาดว่าอะ กินไม่ได้นี่ขนาดมองไม่เห็นยังกลัวถึงขนาดนี้แล้วถ้ามองเห็นเราจะกลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ตาของเรามองไม่เห็นจินแ้ตาเรามองเห็นจินแล้วก็เออบินนองเอ้ยนะเราอุบิลลาห้มันได้เลยดีแแหละนะที่ Allah ไม่ให้เรามองมองเห็นจินนะเราอุบิลล่าห้มันได้อย่างไรก็ตามนะครับ Allah سبحانه และ تعالى ได้บอกไว้ในอายัดแรกนะครับว่าท่านนบีสุลตัลลาะขอะลัยวะสัลลัมนั้น ได้อ่านอลัลกุรอานและพวกจินก็มาฟังแล้วถูกใจจินพวกนี้เนี่ยฟังอลัลกุรอานแล้วรู้สึกดีใจเบิกบานใจอุรานั้นอัจบาอัจบาหมายถึงว่ารู้สึกอัศจรใจไม่เคยได้ยินคําพูดแบบนี้มา ก, ก่อนเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันนี้พูดพูดคำว่าอัศจรใจตรงนี้เนี่ยพูดกับตัวเองด้วยพูดกับพักพวกของตัวเองด้วยนะครับหลายกรณี นะพูดกับตัวเองด้วยพูดกับพรรคพวกของตัวเองด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเอาไปพูดกับตัวเองอย่างเดียวนะนะเช่นที่เขาบอกว่าบรก والتعبير بقوله فقالوا إن سمعنا يحتمل أنهم قالوا ذلك فيما بينهم หมายความว่าพูดกันเองนะพูดกับเองว่เฮ้ยไม่เคยฟังมาก่อนแล้วนะอ่านนี่เกิดอะไรแล้วพอไปถึงพอกลับไปยังสถานที่ของพวกเขาที่อยู่ของพวกเขาก็มาพูดต่อนะครับกับคนอื่นว่าเนะี่ยได้ยินอ่ารอานที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย นะครับกาเป็นเรื nah, <im pe at> ่องที่แปลกใจอัลกุรอานนี้เป็นยังไง yahdi ilar roshdi ف َ a َ م ْ n َ ا ل ن َّ ب ِ ي ِ n وَلَا ا ل ن ُّ ش َ b ِ ك َ a ِ ر َ ب a ّ ن อัลกุรอานที่สามารถนำชี้ทางเราไปสู่สัจธรรมอรุชด์คำว่าอรุษด์ไม่ถึงอะไรนะครับอรุษดาบอกว่า ในนี้นะครับดูทัเสีเล่มนี้จะสรุปได้ดีมากเลยนะครับทัพเีของเชอัสซาดีท่านบอกว่า arush ismun jamun ل ภาษาไนะทายแปลว่ายัางไงมันเรียกร้องเชิญชวนสู่สัจธรรมและทางนาใครที่ชื่อรุชดีบ้างรุชดีรุชก็คือทางที่ทางที่ นำเราไปสู่ความดีงามแม้ว่าความดีงามนั้นจะอยู่ในโลกดุนเนียหรือจะอยู่ในโลกอาสลัดเราถือว่าเป็นอรุชทั้งหมดเลยนะครับฟาอามันนาบิฮิเราก็เลยศรัทธาต่อคำพี์เล่มนี้วัลันนุชริกะบิรับบินอาหฮดะเลเราไม่มีใครที่ตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์ س ب ح และสังเกตให้ดีจินศรัทธาต่อ ท, นนท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุซลลัมเพราะอะไรคตอบมาสิ อะไรอย่างเราเนี่ยเราเป็นมุสลิมเพราะอะไรไม่เหมือนกันนะคนที่ศรัทธาต่อรอไม่เหมือนกันเรารับอิสลามเพราะคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่าเพราะมาร์บามรบาร์บะนี่หมายถึงเราเกิดมาในที่ที่เป็นในแหล่งมุสลิมเราก็เลยเป็นมุสลิมหรื อ, เ, อเกิดมาใน เขาบกว่า อ, ลอัลอิอัลก็คือความเคยชินเลีย้ยละในกุไรชเกิดในความเคยชินเราเคยชินกับสังคมอิสลามสังคมมุสลิมเราก็เลยเป็นมุสลิมอย่างนั้นนนอ่ะไม่กล้าที่จะบอกออกมาแบบเต็มปากเหมือนกับจินพวกนี้จินพวกนี้พูดออกมาเต็มปากเลยสฝ้ามันาบี ยัฮด <an> ีอ <se al> ิลร <an> ุษดีเระขาดออกมาเลยว่าอัลกุรอานที่เราฟังมาเนี่ยโอ้สุบฮานัลลอฮ์มา s <se> h allah มันดีงามมากมันทำให้เราสว่างทําให้เราพบกับทางนําเราก็เลยศรัทธาด้วยด้วยความรู้สึกศรัทธาต่อสัจธรรมของมันจริงๆไม่ได้ศรัทธาเพราะเกิดมาในสังคมอิสลามหรือรับมาจากคุณพ่อคุณแม่อิสลามแบบนี้แหละที่เราต้องการ อิสลามที่เกิดมาจากการรู้จริงๆจะเจอเกิดมาจากความมั่นใจจริงๆว่ามันใช่มันเป็นวิถีชีวิตที่ใช่สำหรับเราถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้สึกอย่างนี้เพราะเราเคยชินหรือเราเกิดมาในสังคมแบบนี้ก็ต้องทำครับต้องหาต้องแสวงหาปัจจัยมูลเหตุที่จะทาให้เราเกิดความมั่นใจเช่นนั้น ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วเรามีความรู้สึกว่างั้นๆกับอิสลามเราแค่ไม่มีไม่มีคุณค่ามากไปกว่าคนที่ไม่ได้เกิดมาในสังคมมุสลิมแต่เขาเข้าใจอิสลามและมั่นใจในความเป็นอิสลามมากกว่าเราอย่าถือตัวเองนะอย่าถือตนว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเพราะเราเป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ นะพวกยินมันเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าศรัทธาแบบตักลีดศรัทธาแบบตามศรัทธาแบบตามอะแบบตักลีดไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้มันก็เป็นปู่ย่าตายายมัเป็นอย่างนี้มาก่อนอย่างนี้เนี่ยอันตรายนะครับใครที่เป็นมุสลิมตามบัมพบุรุษโดยที่ไม่พยายามเอิอ่มความรู้อิสลามเข้าไปในตัวของเขาเนี่ยมันมี ความเสี่ยงที่เขาจะหลุดไปจากความเป็นมุสลิมได้เราบอกไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าที่บอกว่าคําพูดของท่านอุมารอิมุลคาต้านะครับมีความเสี่ยงที่อิสลามจะหลุดออกไปจากมนุษย์คนหนึ่งจากมุสลิมคนหนึ่งทีละนิดทีละนิดทีละนิ ด, นดถ้าสมมุติว่าเกิดมาในสังคมอิสลามแต่ไม่รู้จักยาฮีเลยียไม่รู้จักไ ม, ไม่สามารถจําแนกได้ว่าอันไหนเป็นอิสลามอันไหนเป็นยาฮีเลยียขอให้เอาตัวอย่างจากจินนะ ถ้าไม่มีมนุษย์ให้เอาตัวอย่างก็เอาตัวอย่างจากยินจากยินกลุ่มนี้ยินมันไม่ได้มีเฉพาะยินชั่วแหะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยเพราะบางคนพอพูดถึงยินปุ๊บกลัวทันทีเลยยินด่ายินนะบ่นยินยินมันไม่ได้มีท่านไม่มันไม่ได้มีเฉพาะยินชั่วมันมีที่ยินที่เป็นยินที่ศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละและยินที่กาเฟอรเหมือนกับมนุษย์เลยครับมียินที่กาเฟอรแล้วก็มียินที่ ศรัทธาต่อ Allah سبحانه การ์ละจินที่ศรัทธาก็คือจินกลุ่มนี้นะเอาเอาตัวอย่างจากจินกลุ่มนี้ที่มันรับอิสลามศรัทธาต่อท่านนาบีสุละานละเพราะสัจธรรมที่ท่านนาบีนำมาไม่ได้เกี่ยวข้องถ้าจะพูดถึงว่าเป็นพวกเดียวกันมนุษย์ด้วยกันจินด้วยกันไม่คนละสปีชีส์กันเลยอันนี้มนุษย์มุฮัมมัดเป็นมนุษย์ในขณนะที่พวกมันเป็นจินแต่มันก็ศรัทธาต่อมนุษย์ ไม่ได้มีความตาอซุบแต่อย่างใดไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ต้องต้องเป็นรอซูลที่มาจากยิ่งเท่านั้นกูจะฟังถ้าเป็นรอซูลจากมนุษย์กูไม่ฟังไ ม, ไม่ไม่มีแบบนี้คนและสปีชีกันก็ยังรับได้เห็นไหมครับไม่ได้มีเกี่ยวข้องทั้งเชื้อชาติไม่ได้เกี่ยวข้องทางชาติพันธุ์ไม่ได้เกี่ยวข้องใดใดทั้งสิน้นแต่ฟังแล้วเห็นสัจธรรมจากอัลลอฮ์สุบฮานะตะละรับอิสลามด้วยความรู้สึกที่ เข้าถึงศาสนาธรรมจริงๆขอให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอายจินเราแพ้จินนะครับไม่รู้จะอายใครละไม่รู้ว่าถ้าถ้าแพ้จินนี่ก็ไม่รู้จะอายใครละในโลกนี้ก็ไม่มีใครทีนะน่าอายมากกว่าคนที่ไม่ศรัทธาต่อลอ AH สุภาห์แต่ละหรือปฏิเสธศาสนาธรรมเพียงเพราะเหตุผลไม่เป็นเหตุผลเห <Okay. S 1> นาๆนะฮของพวกเราของคนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อสัาธรรมจากลอ AH สุภาห์แต่ละ อ่ล่ะนะครับสังเกตสัมรับคุณนี่อ่า Allah t a a l علم ซึ่งละ Allah ونبيه محمد وعليه ا و س ل ا م سبحان ربك أب العزة ما ي ن ي ف و ن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته